اللهم سهل لنا الأمور وذبر لنا فإن لنا صن التدبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيندب ك ب ي ا ع و ت ن تعيا سيسيف كن ما ب ن تون ما เน ج سورة التوبة. ا เร م ا เ و س و ن ه ا ت ب ن ه ا ر ا س م كن م سورة التوبة. คือการแชร์พฤติกรรมของมุนาฟิกีนะไร่งที่บอกกับพี่น้องว่าสุลต่านว่าเองเนี่เนื้อเรื่องหลักๆของสุลต่านวานี่ก็คืออธิบายโครงสร้างของสังคมมุสลิมที่มีมูลทินที่ต้องขจัดและมูลทินนั้นนะก็คือกลุ่มมุนาฟิกีน ที่สร้างความเสียหายหรือบั่นทอนความแข็งแกร่งของสังคมผู้ศรัทธาที่กำลังเติบโตอันกุรอ่านก็จะเป็นคนไกลํสำคัญที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้เข้าใจในในเครื่องมือตรวจสอบความเป็นมุนาฟิ ซึ่งข้อสังเกตในสุรัตตวาว่าพฤติกรรมของมุนาฟิกินเนี่ยไม่มีการแฉตัวบุคคลหรือเปิดเผยตัวบุคคลไม่มีบอกมิมบอกชื่อแต่พูดถึงพฤติกรรมใครๆก็รู้นะครับว่าพฤติกรรมนี้ก็เป็นคนคนคนูนนน้นคนคนนี้ซึ่งมุนาฟิกินในกลุ่มในเมืองมาดีนาเนี่ก็แบ่งเป็นสองเป็นสามกลุ่ม กลุ่ที่เป็นพวกมุนาฟิกชัดนะที่ผมว่าคนมาดีน่าหนิใครๆก็ก็รู้ๆกันนะใช่รู้ๆกันแล้วก็กลุม่มกลุ่มที่ชาวบ้านเขสงสั ย, เ, ยเป็นบ้างเป็นไม่เป็นมุนาฟิกไมมุนาฟิกเป็นหรืป่ามีพฤติกรรมที่ฟ้องเป็นมุนาฟิกกัแหละมีพฤติกรรมทีเ่เหมือนผู้ศรัทธา และมีกลุ่มที่ไม่มีใครรู้เลยมีกลุ่มที่ไม่มีใครรู้เลยซึ่งส่วนมากกลุ่มที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นมูนาฟิกเนี่ยคือกลุ่มที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีสุลตาร์ละเซลละเว่าบางคนเนี่ยตัวท่านนบีเองก็ไม่รู้นะจนกว่าจะต้องมีข้อมูลอัลลอฮ์ฝากจิบรีลมาจิบรีลบอกท่านนบีแล้วก็กลุ่มเหล่านี้นะที่คนส่วนมากไม่รู้เนี่ยที่ท่านนบีฝากรายชื่อกับโรซี่ไฟฟิบดีเลียมา ที่เคยบอกขางไซนในวนนี้เป็นเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนบีไม่ใช่ที่ปรึกษาที่เป็นเลขาที่ท่านนบีจะบันทึกชื่อฝากชื่อมุนาฟิกีนกับกับท่านฮุซัยฟะสุรษัทตาวานีได้มาแชพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่บางอาจกล้ากระทําสิ่งที่มันสวนทางกับคุณสมบัติของผู้ศรัทธา ซึ่งความบังอาจนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือการที่ไม่ยอมไปสู้ร่มกับท่านนบีไม่ยอมไม่ยอมออกไปสู้ร่มกับท่านนบีก่อนหน้านี้นะนะก่อนสงครามตะบูกมีนะมุนาฟิกมุนาฟิกที่ออกไปเจรจากับท่านนบีก็มีก็มีและอันนี้สิบันทึกบุครลและมุสลิม ที่ท่านน บ, บีถูกถามว่ารัจลุย قاتل ุ حام ีย์ชายคนหนึ่งต่อสูรหร้สรหรือไปสู้รบนี่ไปจิ่ห้านี่ยเพราะมีความยึดผักพวกเฮ้ยพวกฉันไปฉันต้องไปด้วยเฮ้ยพว ก, ก, กจะไปรบจะทิ้งกันได้ไงทิ้งไม่ได้มีเจ ต, ตานาแบบนี้อันนียซึ่งเจ ต, ตานาเนี่เรียกว่าเจตนาพวกใคล้าย สถาบัญช่างคนเออคือไม่รู้นี่เขาไปทำอะไรกันนะไปรบไป แ, แต่พวกกูนะไงอปแลลวพวกกูก็คือเผาของเข้าที่เป็นผู้ศรัทธาจริงๆนะั่น่ะเขาไปสูกรับโอ้โยเขาจะปล่อยขาได้ไงนะต้องไปแลกถูกถามหมดแล้วก็คนแบบนี้อดรอจูลรอยู่กอดที่ลูกอันเสายใจอีกคนหนึ่ง เปาก็เป็นอัศวินเรียกว่าเป็นนักรบชอบโชวชอบชฝีมือฝีมือเออฝีฝีมือการต่อสู้กันสู้รบโอ้โหอนนีกทหารโอ้โหนี่สุดยอดโอ้โหนี่ดาบนี่ฟันครั้งหนึ่งหลุดไปอกขวัว อ, อะไรเงี้ยนายบีถูกถามมาสองสอง س ُ ن م ن ِ ع خ و ه ا ع َ ف ي س ب ي ل الله م ا ي ن ب ي ب ق و َ ه م ن ق ا ل ت ل ه ح ُ د َ ا لِتَكُونَ ه ُ د َ ت َ ع ُْ و لِتَكُونَ ك َ ل ِ م َ ا ُ اللَّهِ الْعُلِيَةِ تَعْصُو ف َ ي ح ِ ب َ د َ م ْ ر ا ن َ ل ه ا س ُْ س ُ ن ُ ت َ ع ْ ن َ ن فَهُوَ فِي س َ ب ِ ي ل ِ ه ا كُلَّ دَلَّ ت ِ ث و َ فِي س َ ب ِ ي ل ِ ا نِعْمَةَ ل م َ ع َ ل ِ أ َ ت َِ ع َ ح د ِ คือถามในเรื่องที่มันไม่มีไม่มีมมเป็นไปนไม่ได้คือคนนี้มาถามถึง ท, ทํามะะนิสิก็แสดงว่ามีคนที่เขาทาแบบนี้ปรากฏว่าในวันที่ของบุคเรียเหมือนกันสงครามหนึ่งมีคนหนึ่งสู้แบบโหดแบบกล้าหาญมากเขาก็มาชมตอนหน้าเนะีคนนี้นะมีสู้แบบไม่มีใครทําเหมือนเขาเลยเนียาต่อสู้สุดยอด นบีบอกว่าฟินนาร์คนนี้เนี่ยชาวนารกสฮาบ้าเนี่ตะลึงกันเลยตกใจกันเป็นแถวเลยคนน่ยออกมาจิ้ฮัตกับเราแล้วก็มาต่อสู้ขนาดนี้เนี่ยแล้วนบีฝันทวงว่าเป็นชาวนารกได้ไงพอเกิดสงครามอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดสงครามอีกครั้งหนึ่งสฮามบ้าที่เขาบอกว่าฉันต้องคือต้องพิสูจน์ได้ให้ได้เนี่หว่านบีมีเหตุผลอะไรา ก็เฝ้าคนดีนบีบอกว่า น, นี้ยที่เขาเคยก่อนหน้านี้ถูกถูกอถูกยกย่องว่าว่าต่อสู้แบบกล้าหาญพอสงครามถัดไปเนี่ยสุฮาบะคนนี้ก็ไ ป, ไปเฝ้าคนนี้ก็ดูเขาก็เป็นแผลเป็นแผลลึกหน่อยเจ็บไม่ทนไม่ไหวก็เลยเอาดาบนี่มาทิ้งแทงตัวเองฆ่าตัวตาย อาสมัยอารามก็มีซามูไรเหมือนกันนะกล้าตัวตายเฉยเลยคนที่ต่อสู้ในสงครามแล้วก็ไม่ทำแบบนี้วลามาได้ที่ความหะดิษนี่กับฮะดิษนู้นนะก็ บ, ก บ, บอกว่าคนเนี้ยที่ตอนไปสู้ไปสู้รบครั้งแดงกันก็เหมือนที่ท่านในบีบอกว่าก็ต่อสู้เพื่อโชว์ความกล้าหาญของเขาเป็นมุนาฟิกเป็นพวกกลุ่มมุนาฟิกินที่ออกก็ไม่ได้ออกมาเพื่ออิสลาม ไม่ได้ออกมาเพื่อบอกป้องอิสลามไม่ได้ออกมาเพื่อเชิดชูพระดำรานอเลสุภาณวุฒิธรรมต้องออกมาจะได้โชว์ความกล้าหาญเหมือนอาหรับต่อก่อนนู้นอาหรับตัวก่อนนู้นสู้รบกันก็กนเพราะเรื่างนี้แหละไปฆ่าหัวหน้าเผ่านี่ก็จะได้แต่งบทกรอนแล้วก็ไปอวดอาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับอยู่เขาสามารถฆ่าหัวหน้าเผ่าคนนี้แล้วก็จะได้มีชื่อเสียงแต่พอมาสูงคำตะบูกแล้วนี่ก็เหมือนเขา มีความบางังอาจและในเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยดังนี้คือไม่อยากจะออกไปสู้รบเพื่ออิสลามเพื่อปกป้องท่านนาบีไม่อยากแต่ก็ออกก็เพื่อพักพวกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยยังไอ้อายังไม่กล้าเปิดเผยแต่พอนี้มาเปิดเผยแล้วมาเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วก็เอาเหตุผลอะไรที่มันไร้สาระมาอ้างในการปฏิเสธ بجهاد ك ت النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجد ابن قيس في الآية 49، شو؟ الآية 49 التي เรา ذ ك ت ي سورة النحل، و ل م ِ ن ْ ه ُ م ْ م م ن ي ق و ل ذ ل ي و ل ا ت ف ت ن ي ส่วนห น, นึ่งส่ ว, วนหนึ่งในหมูพ่พวกเขานั้นน่ะมีผู้ที่มากล่าวว่าจงอนุมัติจงอนุมัติแก่ฉันเถอิดย่าให้ฉันตกอยู่ในการทําความชั่วเลยเอิสลิวะลาตัฟตินนียาให้ันน่ะไปตกอยู่ในฟิดนะฟิดนะก็คือความชั่วคนนี้ก็คืออัลจัดอับนุไควส เป็นคนร่ํารวยที่สุดในเผ่าเะนิสเลมะพระบอกกับท่านน บ, บีน บ, บีอย่าให้ท่านไปเลยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นเป็นเจ้าชู้ชอบผู้หญิงแล้วก็สาวสาวโรมันเนี่ยมันสวยเหลือเกินฉันกลัวเดี๋ยวไปญาตแล้วก็เป็หลงหลงหญิงโรมันชาวโรมันเนี่ยดูยเป็นเรื่องผมเป็นเดี๋ยวเป็นภาระ นี่จะไปจีฮารตกันนะ่ะเออไม่ได้ไม่ได้ไปผับไปเที่ยวกันน ะ, ะไปจีฮาร์กันนะเอาอะไรมาพูดมาฉันเอาเอาตังค์ไปช่วยแล้วกันดูผมขอไม่ไปนี่ะผมกลัวฟิตนะคือฟังนะดูเหมือนอววรรเขาะนะเหมือนเหมือนโอ้โหยิมเกรงนะ่ะเป็นคนเข่งนะเออกลัวฟิตหน้ากลัวโดหลงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมมีตังค์เอาตังค์ผมตังค์ไปช่วยแล้วกันความตกต่ำของของคนที่ไม่จริงใจไม่บริสุทธิกับอัลลอฮฺเรละซูลเนี่ยคำคำตอบโต้เช่นเนี่ยอะไรฟิลฟิตนนติสักกตูที่จริงเนี่ยที่เขาข้อนญาตไม่ไปแย้งนั่นคือฟิตนะนั่นคือฟิตนะคำโต้แบบนี้ถูกจะมีมีมีแบบนี้ตลอด มีมุนาฟิกีนี่จะบอกกนบีไม่อยากไปจิฮานช่วงนี้มันร้อนนะอัลลอฮฺก็ะต้บอกว่านรกมันร้อนกว่าน่ะอน้มันกลัวฟิน้ากลัวจะฟิดหน้าทาความชั่วที่จริงเนี่ยไอที่ไม่ไปจิฮานนั่นะคือชั่วสุดๆแล้วเป็ฟิดน้าที่สักกะตุกะตกกะตกไปอยู่ในฟินนแสดงว่าเรานี่ยอยู่ในอยู่ในชั้นอยู่อยู่ในชั้นดินเนี่ย jihad นี่เราขึ้นขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างที่ท่านนายบอกว่า j i h a นี่คือสุดยอดของอิสลามและการที่เราละทิ้งคําสั่งสอนต่างๆนี่มันเป็นการตกไปอยู่ในความชั่วตกเหว่สักตุและการทิ้ง j ิ h า d นี่ก็ถือว่าเหวต่ําสุดแล้วใน ฟ, ฟิตร์นั ท, ที่สักตุแอลจีเดบนีไควสม่ชื่อมาบอกกับท่นานนบีว่าฉันไปไม่ได้เพราะฉันกลัว กัฟิดหน้าของผู้หญิงเอาตังเอาตังช่วยแล้วกันไม่ใช่อว่าคนใจบุญคนร่ํารวยแล้วก็โอ้หอันนี้ชอบอชอบช่วยเหลือชอบบริจาคนะั่นไม่ใช่พอมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านน บ, บี ส, สลุลต่านถามผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลเบนิสลาลมาพ่อบเณริสลาลมาบอกว่าพวกท่านเนี่ยถือว่าผู้นําของพวกท่านนี่คือใคร เขาบอกวอัลจัดด์อับนุไควสคนเนี่ยที่เป็นมุนาฟิกคนีอัลจัดด์อับนุสที่จริงนี่ผู้นาของบนิสลามนี่คืออัลบรารับน์มารูรเป็นตัวแทนของบันิสลามาที่ไปไปยานบีเนี่ยที่มักกะก่อนที่นบีจะฮิจราะไปไปมาดีนะรายละเอียดฮิจราะดูไปฟังในรายการภารกิจในเพราะเดียวมันจะยาวจะเล่าเรื่องฮิจราะทั้งหมดเนี่ย เบรายเนบรายเป็มาร و ن ไปอากับท่านนบีแลคนี้แหละที่ลุงของท่านนบีอับดุลมุตลบนี่ยตั้งจบมือจะไปากับชาวอันซอแล้วนี่ว่าไปมดีน่านี่เขาจะปกป้องท่านนบีสุดชีวิตอับดุลมุลบนี่ลุงของท่านนบีปัดมือเดี๋ยวเเอาไว้แน่นะเอาไว้แน่นพ่ อัฮัมมันนี่ไปมาดีหน้าแล้วอะนะเท่ากับพวกคุณนี่ประกาศสงครามกับอาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับเลยไว้เหรออัลบรายมารุก็เลยปัดมืออาบอสิกทนึงแล้วบอกว่ารับยัลบัยอุล่านะกิลุอล่านะสตีลนี่คือสัญญามั่นกับท่านนบีเราจะไม่ถอดถอนโดยเด็ดขาดและจะไม่อนุญาตให้ท่านนบีถอดถอนด้วยีอัลบรายมารุแต่เสียดายว่า เสียชีวิตก่อนนบีอุปยบหนึ่งเดือนถ้าเป็นตัวแทนของบรรุสลามะแต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะก็บอกว่ามีผู้หลักผู้อีกคนหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นผู้นํามาคืออัลเจตเดมุกไรสนบีถามบนรุสลามะว่าใครอผู้นําบรรุสลามะพวกท่านนี่ถือว่าใครเขาบอกอัลเจตเดมุไรสนบีถามว่าแล้วทำไมเขาบอกว่าโอรวยที่สุดพวกเราจะรวยที่สุดซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติน่ะ ในสังคมมนุษย์เนี่ยเขาจะให้คนที่มีความสามารถสูงสูงสุดที่จะเป็นผู้นาคนที่มีภาระกาลังาเป็นคนแข็งแรงมีความสามารถหรือคนที่มีพรรคพวกหรือคนที่มีตังซึ่งส่วนมา ก, ก น, นะคนที่มีตังจะชนะส่วนมาก คนที่มีตังแต่ชนะคนที่มีความรู้ล่ะไม่ค่อยคือตราบใดคนส่วนมากในสังคมเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกว่าความรู้แต่สังเกตดูวในสังคมที่มีคนส่วนมากนี่มีความรู้นะเขาก็จะเลือกเลือกผู้รู้นี่เป็นผู้นำเพราะเขาให้เกียรติความรู้มากกว่าสมบัติอื่นมากกว่าคุณสมบัติ แต่ชาวชาวอัง ص ا ชาวบนุซาลามานีขอบอกว่าอ <im> ัลจัดบุไนองเรือกาเพราะเาเป็นคนรวยก็จิงะแต่ถ mhm. <trans> ึงแม้ว่าเขาเป็นผู้นำของเราแล้วเราเลือกเขาเพราะเาเป็นคนรวยก็จริงกันะแต่เราก็ยังมองว่าเขาก็ยังเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้เหนียวนบีก็เลยบอกว่าและความความตนีความตนีที่เหนียวเนี่ย ใช่เป็นคุณสมบัติที่จะให้คนเป็นผู้นำได้อย่างไงเอ็นมะอามีรุกุมบิชรุบนุลบารออับนุมารดแท้จริงผู้นำของพวกท่านเนี่ยควรที่จะเป็นบิชรอับนุล bara อับนุมารูก็คือลูกของคนนุ่นนี่ยที่เคยไปบิย่ากับท่านในบีแล้วกับบิชรุก็มีชื่อเสียงสู้รบกับท่านนบีทุก แล้วคนนี้เนี่ยที่มีข่าวว่าตอนที่ท่านนาบีไปพิชิตไปพิชิตป้อมไขยบ้าของอยูยูที่อยู่ชาดมาดิน่าในนอกมาดีน่าเนี่ยแล้วนบีออกไปพิชิตไขยบ้าเนี่ยพอพิชิตเสร็จแล้วเนี่ยก็มีสตรียูคนหนึ่งอ้างว่าเขาดีใจที่ท่านนาบีมาพิชิตแล้วแล้วก็จัดเลี้ยงท่านนาบีเลี้ยงท่านนาบีก็ทําแพะหันอะไรอาหารอาหารดีๆ ฮะปรากฏว่าใส่ ย, ยาพิษในอาหารแล้วเขาบอ ก, กว่าบิชมเอมนุ่นหมารุ่นก็เป็นคนที่เริ่มกินเริ่มกินก่อนคือจะได้ให้ ท, ทดสอบดูดูดูอาหารน่ะแล้วก็เสียชีวิตจากจากการกินอาหารที่มียาพิษตรงนี้และเป็นใสท่ที่ทำให้ท่านนาบีนี่ระวังหน่อยเนี่ยพอกินแล้วก็รู้สึกว่าว่ารสชาติไม่ปกติ น, นาบีก็เลยคายออก แต่ก็มันก็ส่งผลให้ท่านนาบีเนี่ยรู้สึกเ อ, อรู้สึกอ่อนเพียจากการที่กินเรื่องนี้อันเป็นเหตุผลที่ทำให้อัลามาบางคนน้อยมากนะและก็มีบางคนในยุคนเนี้ที่เอามาเอามากระพือมาม า, มาปลุกเร้าหน่อยบอกว่านาบีของเราถูกสังหารถูกฆ่าด้วยน้ำมือของยิว ที่จริงเนี่ยมันก็แค่คำพูดของท่านนาบีมันคือในรายงา น, นว่าท่านนาบีกินจากอาหารที่เป็นยาพิษจริงแต่ส่งความไขบรรนเนี่ยในปีที่หกในปีที่6แล้วก็ไป 6, ถึงปีที่เจ็ดต้นปีที่ 7, เจ็ดเอจุรสกราตมาแล้วก็ช่วงที่ท่านนาบีเสียชีวิตปีที่11กี่ปี4ปีท่านนาบีบอกว่าเนี่อรู้สึกว่า หัวใจของเขานี่ของฉันเนี่ยที่อ่อนเพียเนื่อจากว่าที่กินก็เป็นไปได้ว่าอาจจะรับผลกระทบแต่ไม่ดไม่ด้เสียชีวิตเพราะยาพิษแต่หลักฐานี้ชัดเจนว่าจากปีที่เจ็ดถึงปีที่ส1บเอ็ดนี่มันสี่ปีอย่าพิษอะไรอย่า ย, ยิ่งยิวนะยิ่งยิวนะยาพิษอะไรนี่รวมสี่ปีเนี่ยก็จะเสียชีวิตนี่มันมั น, มน ถึงจะมีเป็นญาพิษก็จริงอะนะแต่อัลลไม่ได้เสียชีวิตเพราะยาพิษแน่นอนไม่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเป็นเอกฉันของซาฮฺว่าอัลลอฮเสียชีวิตธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ถูกสังหารอ่านีแหวะนิดหนึ่งจะเนี่อธิบายเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องบานุสลามะแล้วก็เรื่องมุนาฟิกีนี่แหละและหลังจากนี้เนี่ยอัลลอฮฺสฟาโนวะดาแล้วก็ได้แชร์พฤติกรรม ที่มักจะเป็นพฤติกรรมภายในเรื่องความรู้สึกของพวกมุนาฟิกอินตุซิก์ฮัสานตต่สุฮุบว่อินตุซิก์มุซีบะต์ยิู่ล์คัดอัคด์นาอัมรานาหมินคัฟลูวายตาวลลวะหุมฟาริฮุนหากมีความดีใดๆประสบเจ้าให้ถึว่าท่านนบีประสบความดีแต่ในสำนวนภาษาภาษาอัในคุรานเนี่ย อนทุศิบกับศาสนาถึงคือความดีที่ไปประสบกับท่านนบีแต่ถ้าเราใช้เป็นภาษาภาษาไทยเนี่ยความดีประสบกับเรามันก็งงงงนิดหนึ่งเพราะปะกติเราจะใช้เราเนี่ประสบกับความดีใช่ปะแต่อันนี้เนี่ยเป็นสำนวนธรรมดาในภาษาอับยิ่งในด้านศาสนานมันก็มีเหตุผลมากกว่าว่าทั้งความดีและก็ความชั่วเนี่ยมันเป็น กฎสภาวะที่อรรถกาหนดไว้แล้วว่ามันไม่ใช่น้ํามือของเราและเรื่องนี้เนี่ยมันปลอบใจหรือมันเป็นกําลังใจให้ทุกคนมากกว่าว่าถ้าประสบความความดีก็ยัย่งยโสเพราะมันเราเนี่ไม่ได้เป็นเป็นผู้ก่อให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าประสบความชั่วก็อย่าเสียใจเกินเพราะที่จริงเนี่ยมันก็เป็น กฎกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานาต์ดาร์นะครับว่าอินตุซิบกะฮัสันะตุนแต่มีความดีไในประสบกับเจ้าแต่ซุกุมก็ทําให้พวกเขาไม่สบายใจทําให้เขานี่เสียใจได้ดีได้ดีเขาก็เสียใจว่าอินตุซิบกะมุซีบาตุนนี่และหากมีอันตรายมุซีบาหนีใดๆประสบกับเจ้า อยกูลูว่าก็จะกล่าวว่ากเอาขึ ad ad ้นน่ะ أمر นกะบล่ตั้จริงพวกเราเอากิจการของเราไว้ก่อนแล้วเอาขึ้นน่ะ أمر น่ะเนี่ยป็นสำนวนภาษาอัหมายถึงว่าเราระวังตัวไว้แล้วอ่าแต่นี้เขาอธิบายตามสำนวนนะ่ะนะแท้จริงพวกเราได้เอากิจการของเราได้ก่อนแล้วเนี่ยมันก็ดูงงๆหน่อยนะ เอความหมายมันไม่ค่อยชัดถ้านนมีประสมมุซีบ้านนี่ก็กรบอกแล้วไงเราบอกแล้วเราเตือนแล้วเราก็ระวังตัวไว้แล้วเราไม่เอาด้วยกับท่านนาบีบก็พอแบบนี้แหละที่เราไม่ได้สู้ร่วมกับท่านนาบีนบีแพ้แล้วไงก็ก็พอแบบนี้แหละเหมือนที่อโคดเนี่ยเขาเคยพูดแบบนี้ว่านบีแพ้สองก็บอกแล้วไงไม่ไปและที่เราไม่ออกนี่สามมูนาฟิกีนเนี่ยหูรับหนูไว้อยู่ในเซอรุนที่เม่ที่ที่เอาเอาทับของเขานี่ถอยกลับมาเนี่ยกับนี่แหละที่ถอยมา พอบอกแล้วงไงว่าจะแพ้ไปสู้เขาเด้งไง น, นี่วัติกรรมของเขาวยแต่ละว่าหุ่นฟาริฮุนแล้วพวกเขาก็จะผินหลังให้ผินหลังให้ท่านนาบีและสฮาบะและผู้สัตว์นโดยที่พวกเขาเป็นผู้ปิติอินดีถ้านาบีได้ดิบได้ดีเขาจะเสียใจยถ้านาบีได้ประสบกับมุสีบ้าหรือความเสียหายหรืออันตรายเขาก็จะอ้างว่าเขาฉลาดกว่าเขาเตือนนบีแล้วแต่เขาไม่ฟังเขา นี่เป็นพฤติกรรมของมูนาเนี่ตรงนี้ในคำน้องที่เป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกีนนะแต่มันก็เป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่มีส่วนร่วมกับยะมะอย่างจริงจังคนนี้ไม่มีส่วนร่วมกับยะมะกับกลุ่มชนด้วยกันในชมในชุมชนในชมรมในกลุ่มในกลุ่มก้อนในพรักพวก ถ้ามีคนนึงในพรกวพวกของเขาหนิได้ดิบได้ดีเขาก็จะอิจฉา น, นี่นี่นิสยัยนิสัยของคนค น, คนพวกนี้ไงถ้าคนอื่นได้ดิบได้ด้นอิจฉาเสียใจไม่ค่อยไม่คอ่คอยดีใจมากนะักเ อ, อหน้าบูดคำว่าแล้วถ้าคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นเจออะไรไม่ดีเน่ยก็กูกตื้อแล้วกูบอกแล้วไงไม่เชื่อแต่พฤติกรรมแบบนี้เอาแล้วก็ ผู้ศรธาต้องทํำยังไงผู้ศรธาถ้าคนอื่นได้ดีบได้ดีเขาดีใจด้วยสิดีใจด้วยนะเฮ้ยสุดยอดอะไรเงี้ยให้กำลังใจให้เขารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกรุ่ร่วมเพราะทุกคนที่ดีใจอะนะว่าให้ดีนะทุกคนที่ดีใจเนี่ยถ้าคนอื่นร่วมร่วมเนี่ยไม่ดีใจด้วยอะนะที่สิ่งที่เขาได้ดิบได้ดีนี่นะกับไม่มีความหมายเลยดูหน้าในครอบครัว พ่อแม่หรือลูกคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้ประสบกับความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สมาชิกครอบครัวนี่เฉยแลยไม่แสดงความดีใจไม่ให้กำลังใจไม่อะไรเลยแล้วมันจะมีรสชาติไหมถ้าลูกเรียนจบแล้วก็ได้คะแนนดีแต่พ่อแม่พี่น้องเขาไม่มีใครแสดงความดีใจอะไรเลยเนี่ยเขาจะดีใจไหมถึงแม้ว่าเขาได้แล้วไงเขาได้จริงนะแต่เขาอาจจะกลับเศร้ากว่าสิ่งที่เขาได้ด้วยซ้า แล้วถ้าคนอื่นประสบกับมุสีบ้าตัวมุสีบ้าเองนี่พอทนได้แต่ที่แรงแรงกว่ามุสีบ้านี่นะไอ้ไอ้ไอพวกสมอนอ่ะพวกสมน้ำหน้า <c oughs> บอกเลยกูเตือนมึงแล้วมึงไปโอโ้ไอ้ที่ไปเติมซ้ํานี่นะอันนี้ยิ่งกว่ามุสีบ้ยิงไม่จริงยิ่งกว่ามุสีบ้นี่เป็น มันเราไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยกลายเนยของของความเป็นมูนาฟิกเพราะอย่าลืมหน่พฤติกรรมของมูนาฟิกินสมัยท่านในมีก็คือเขาไม่มีความเลื่อมใสในจะมาในสังคมของมา ด, ดีนะไม่มีความเลื่อมใสในความเป็นผู้ศรัทธาเขาถือว่าเขาไม่ได้อยู่ในสมาชิกภาพของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงก็เหมือนกันแหละชุมชนหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มได้ไม่จําเป็นว่า เนื้อหาของกลุ่มนี้เนี่เป็นเรื่องความศรัทธาเรื่องศาสนาก็ตามนะอ่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นองค์กรเดียวกั น, น, กนสมาชิกอยู่เรื่องพนักงานด้วยกันอะไรเงี้ยมีใครได้ดีได้ดีได้ดีเนี่ยก็จะอิจฉากันจะมีใครมีใครโดนอะไรหนึ่งก็จะสมน้ําหน้ากันอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์จริงนะนะนิสัยอะไรบางอย่างนี่ก็ไปโยน โยนไปทางเพศเช่นเรื่องอิจฉานี่นิสัยผู้หญิงจริงเหรอจริงเหรออย่างก็ผู้ชายนี่ไม่มีผู้อิจฉาเลยเหรอนี่ถึงขนาดที่อุลามาบางท่านนี่เขาบอกว่าผู้รู้ด้วยกันนั่นแะผู้รู้นะเขาบอกว่าผู้รู้น่ะมันชีคนชามันสำมันชนน่ะผู้รู้ด้วยกันเนี่ย เขบอกมันอิฉายิ่งกว่าไอแพะตัวผู้เอออันนี้อย่าเดียวอ่านทางอารลาเนี่ยเขาจะมองว่าไอแพะนี่มันขี้อิฉาแพะนี่นะถ้ามีตัวเมียเนี่ยแพะตัวผู้นะแพะตัวผู้นี่เขาเรียกกันกับ บ, บ้านเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยเขาเรียกแพะเนี่ยเรี ก, กิบัตกิบัตใครเคยดิยนไหมใครเคยได้ินไหม กีบัตกีบันี่ยกีบัตนี่มาจากภาษาอังกฤษนี่แหละคับแพ่ตัวผู้แพรตัวผู้เนี่ยเวลามีตัวเมียน่ะนะถ้ามีตัวผู้แคบแคบมาหนึ่งนิดนึงนะเอาชนแล้วนี่เขาบอกว่าแพร่ตัวผู้นี่ขี้อิจฉาเพราว่าผู้รู้เนี่ยถ้าเวลาเขาอิจฉากันนี่นะอิจฉากันยิ่งกว่าแพทตัวผู้ ไอ้ยูใครมานี่มามาทะสังเกตไหมไอ้แพนี่ใครมาตรงไกลเนี่ยมันไปหาเรื่องเลยนะมันไปไปชนนะ่ะมันไปหามันเลยนะแล้วก็เทคนิคของแพนี่เราก็รู้กันนะมันถอยร้อยเมตรนนะ่ะมันถอยไปนี่กูไปแล้วใช่ไหมไม่มันไม่ได้ไปนะมันถอยจะได้ไปชนไงนเออนั่นแนหะความแค้นของของไอ้แพนี่แล้กวก็ไอ้ฉาเนี่ยมันเป็นนิสัยของผู้หญิงจริงนะแล้วก็ กว่าผู้ชายนี่ไม่มีเลยอิชาไม่เกี่ยวเลยนะว่านี่เหยียดเหยียดอย่ยยามเพศมากกว่าน่ะไม่เกี่ยวเลยนะผู้ชายก็อิฉาผู้ชายก็อิฉานินทาก็เหมือนกันเฮ้ยนัน่งนินทาซุบซิบเหมือนผู้หญิงนี่ใจผู้หญิงจริงลเลยไอ้ยักับผู้ชายนี่ไม่มีเลยมีเหมือนกันน่ะมีหมดเลยมุณาฟิกนี่มีทั้งหญิงกับชายความชั่วนี่ไม่เกี่ยวกับเพศ ถึงจะทำมากกว่าหรือน้อยกว่านี่อันนี้ก็แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่สาเหตุแล้วแต่กลไกสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องนั้นๆนะครับ น, น, น, นี่ก็อีกพฤติกรรมที่แฉแต่มันเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่เปิดเผยให้ทุกคนสามารถสังเกตได้ออคนที่มีนิสัยขี้อิจฉา ขี้อิชาไม่มีส่วนร่วมกับกลุ่มยามาเนี่ยบางทีเขาไม่เบิดเผยตัวเองหมายถึงว่าถ้าคนอื่นได้ดิบได้ดีเขาก็ฉลองด้วยนะแสดงความดีใจด้วยนะแต่ข้างในเน่นะโอ้โหกำลังทรมานอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชที่สุดแล้วเวลาคนอื่นเขามีมูซีบ้านเนี่ยโอ้โหน้ำตาเนี่ยไป แสดงความทุกข์ยังก็ยังก็ตัวเองที่เสียหายแต่ข้างในอะนะตื่นเต้นตื่นเต้ น, ต น, ตนดีใจจะตายเพราะคูออริของเขาเนี่ยกำลังประสบกับความเสียหายก็มีคนแบบนี้เหมือนกันแสดงว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่คุรอ่านมาแฉอันอันที่อยู่อยู่ภายในของกุมนันาเียงนนันลบอกว่าอย่ตะวันละเขาพิลัง ว่าฮุมฟาริฮุนเดียเด๋ยวก็จะปฏิอินดี <c oughs> คือเขาต้องผินหลังไม่ให้เห็นหน้าไงอพอหันหลังแล้วนะ่ะถึงจะยิ้มเจมูซีบ้านเนี่ยพอหันหลังก่อนนะ่ะนะเขาไม่เห็นหน้าแล้วถึงจะถึงจะยิ้มแต่ตอนซึ่งหน้านี่นะร้องไห้เสียใจด้วยอะไรเงี้ยพอหันหลังแล้วนะ่ะดีแต่ว่าเหล่าฮุมฟาริฮุนเนี่แสดงว่าเขาเก็บเขาเก็บความรู้สึกไว้ ไม่ให้ผู้ศรัทธาได้เห็นพฤติกรรมนั้นบทเรียนก็คือผู้ศรัทธาไม่ควรมีพฤติกรรมแบบนี้โดยเด็ดขาดทำยังไงจิตใจของผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยต้องเลื่อมใสเลื่อมใสต่อกันเลื่อมใสนี่ก็หมายถึงคนอื่นคนอื่นได้ดีประสบกับความดีก็ต้องดีใจใเขาสิแต่ต้องอธิบายนิดนึง คือประสบความดีที่ดีด้วยความชอบทางศาสนานะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นี่คือประสบในเรื่องดีที่สังคมเห็นว่าดีเนี่ยเห็นว่าดีแล้วก็ต้องแสดงความดีใจเพราะเขาประสบความดีไง่ะอย่างเช่นไ อ, อ, อ, อ้ลูกคนนั้นเนะขาเป็นดาราดังแล้วนะเโหนี่รายได้เขาเดือนหนึ่งก็เปน คนที่สงสารเขาว่าเป็นแบบนี้มันก็ไม่เชื่อเราจะพอพระไทยเขาก็เลยเสียใจแน่เห็นไหมอิจฉาเขาคือบางเรื่องนี้เราต้องเราต้อ ง, าองามาตรฐานนี่เราไม่เอามาตรฐานสากลไงเพราะว่าสากลนี่มันเลตุ่มเป๊ะไปหมดเราเอามาตรฐานของศาสนาไงอันนี้อธิบายนิดนึงผู้ศรัทธานี่เวลาใครประสบกับเรื่องดีในรสกีที่ดีในลูกนะ ได้ลูกประสบความสมมําเร็จในการงานที่มันทุกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยต้อ ง, งดีใจเขาถ้าถ้าคนอื่นประสบกับมุซีบะอันนี้ก็ต้องเป็นมุซีบาที่ศาสนามองว่าเป็นมุซีบานี่ไม่ใช่คนที่มองว่าเป็นมุซีบาแต่บางคนนี่มองว่าเป็นมุซีบาแต่ในศาสนานีไม่ได้มองว่าเป็นมุซีบาอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำอย่างเช่น ลูกคนนี้เนี่ยเขาไม่เอาไหนแล้วทําไมอ่ะก็อยู่ดีๆก็อยากจะไปเรียนศาสนาโอ้น่าสงสารจังเลยประเนนี้มันมีจริงในสังคมคือสังคมจะไปสมเพศเขาครอบครัวนี้น่าสงสารลูกเขาเป็นอะไรเออลูกเขาน่าสงสารทําไมเรียนศาสนานนกันทุกคนเลยมันแทนที่จะดีใจให้เขานะ่ะเอาแล้วทำไมเสียใจทำไมเรียนศาสนาจนสงสารพ่อแม่ ส่งลูกไปเรียนศาสนาเราออกมาแต่ละาคนนี่ไม่มีไรายได้ช่วยพ่อแม่ได้ไงแต่ น, นี่จะส่งลูกไปเรียนอะไรที่ เ, เป็นเรื่องเป็นราวเขาจะได้กลับมาเลี้ยงดูแลพ่อแม่เันนี้ไปเรียนศาสนาเนี่ไม่ได้อะไร ไ, ไม่มีดีไม่มีอะไรดีเลยหมายถึงมูเซ่บ้าที่เป็นมุเซ่บ้าจริงๆในมุมมองของศาสนานะไม่ใช่ในมุมมองของก็ในขณะเดียวกันนะ ผู้ศรัทธาในความเลื่อมใสต่อกันใครที่ประสบกับคุณงามความดีเขาก็จะปิติอิ์ดีให้แล้วถ้าประสบกับความไม่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นความไม่ดีที่มันดำหลักกาสศาสนานอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งลูกเข้าติดยาครอบครัวนี้ ลูกสาวเขานี่สามีเขาหยาบไปลูกเขยเขาหยาแล้วก็ทำไม่ดีกับลูกสาวเข้วก็ครอบครัวนี้เขาก็เลยเศร้าเราก็ต้องมีกำลังใจร่วมให้กำลังใจร่วมถ้ามีคนบอกว่าสมมติว่ามีคนบอกว่าเราพยายามที่จะเป็นเช่นนี้แต่บางทีเนี่ยนิสัยของเรา อาจเพราะอยู่ร่วมกับคนที่นิสัยเขานขิขีอิชาก็เลยติดเชื่อหรืออาจเป็นเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองแล้วก็ไม่เคยขัดเก่าซักฟอกนิสัยเหล่านี้มันก็เลยมันก็เลยเติบโตไปเรื่อยพยายามที่จะ หลีกเลี่ยงจากความรู้สึกความรู้สึกที่ไม่ดีของเหมือนพวกมูนาวิกินแบบนี้จะทำยังไงความรู้สึกนี้ความรู้สึกเยี่ยงนี้นะมันก็เหมือนทุกทความรู้สึกความรู้สึกแห่งความชั่วที่เรามีหน้าที่ของผู้สุดท้ายก็ต้องต่อต้านมันต้องต่อต้านมันยกตัวอย่างเหมือนทุกเรื่องเลย คนเกิดมาในสังคมในสิ่งแวดล้อมมานะมีแต่คนสูบบุหรี่กินบุหรี่นี่แกเป็นเป็นเห ม, มือนกินกุหลาบเหมือนกินมะมะลิอะไรเงี้ยเวลาอยู่อยู่ในห้องที่ไม่มีกลิ่นบุหรี่นี่ก็จะรู้สึ ก, กอึดอัดทําไมฮะพรโตมาก็กินบุหรี่โตมาอยู่กับสังคมที่แบบว่าทําความชั่วเรื่องธรรมดากินเหล้าเรื่องธรรมดา เลิกแล้วเลิกบุรีแล้วเลิกเหล้าเลิกแล้ ว, ลลวประสบความสำเร็จแต่มันยังมีอะไรนะความอยากยังมีความอยากเจอใครที่กำลังสูบบุหรี่อยากจะกระโดดกระโดดไปคว้าบุหรี่ขอสักนิดนึงกำลังดีกินเหล้าแล้วเลิกแล้วนะเจอคนกำลังอึ๊กอ๊กอยู่สักอึ๊กนึ ก็ลรงดีก็มีคนจะทเนี่ยความอยากแบบเนี้ยบาปใหม่คือตราบใดทยังมันเป็นความอยากภายในอย่านั้นมันไม่บาปแต่มันอันตรายตรงที่ว่าไอ้ความอยากนี่แหละมันคือต้นเหตุของการกระทำถ้าเราไม่ต่อต้านมันนะความอยากมันก็จะกระชากเราไปสู่ความชั่วนั่นโดยปริยายดั้นวิธีดีที่สุดนี่คืออะไรก็คือต้านความอยาก ผู้แสดงก็นั้นก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องมีพฤติกรรมต้านความอยากเกี่ยวกับความชั่วทุกประการรวมถึงเรื่องนี้นะสิ่งที่มันคล้ายๆเรื่องนี้แหละก็คือเรื่องที่มันกําลังเป็นกระแสเรื่อง LGBT ฉันเกิดมาเกิดมานี่มีดิฉันเป็นผู้ชายก็จริงแต่เกิดมานี่รู้สึกเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดเป็นมีเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยกลไกของสิ่งแวดล้อม พ่อแม่มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงพอสุดท้องเกิดมาเป็นผู้ชายอีอกแล้วเขาก็โอ้ยไม่ไหวขอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันแทนี้นก็เป็นผู้ชายะนะเอาเสือ้อซื้อกระโปรงซือ้อเสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ยให้เด็กชายนี่ลูกผู้ชายให้ใส่เติบโตมาด้วยความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยว่าคนนี้ขอเป็นผู้หญิงสักคนเนขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้หญิง หรือเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันจะกดดันเรื่องความรู้สึกนี้เป็นไปได้มันก็เลยเกิดความรู้สึกที่เติบโตกับเขาเป็นไปได้แต่เขาจะเขาจะยอมให้ความรู้สึกที่มันฝืนกับธรรมชาติได้ไงเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยที่นักจิตวิทยาเนี่ยเข้าโต้นะ่ะเขาบอกว่าคนที่อ้างว่าเพศสภาพของเขาเนี่ยมันตรงข้ามกับเพศกาเนิด เขาเกิดมาเป็นผู้ชายแต่เพศสภาพเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงนักจิตวิทยานี้เขาโต้นะเขาบอกว่าแล้วจะตอบโต้อย่างไงอ่ะกลุ่มเพศสภาพเนี่ยบางคนเขาบอกว่าฉันนี่นะรู้สึกว่าไม่มีเพศเลยและมีนะกลุ่มที่ บ, บ, บิดเบ้เขาอันนี้เขาก็เป็นโรคจิตไปแล้วนะฉันไม่ได้เป็นมนุษย์เลยนะแต่อะไรเป็นงูฉันนรู้สึกว่าเป็นงู จะโตเขาอย่างไงอ่ะถ้าจะให้อิสระแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้นี่คือพูดถึงเพศสภาพนะแต่บางคนพูดถึงสภาพตัวมนุษย์เองเหรอสีผิวนี่ยังมีเลยนะที่อเมริกาเนี่ยคนผิวขาวนี่บอกว่าอย่ามาว่ายมาบอกอย่ามาว่าฉันนอว่าผิวขาวนะฉั น, นรู้สึกเหยียดยามทำไมเพราะข้างในเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเน่เป็นคนผิวดา นี่ไม่ใช่เพศสภาพนะเขาบอกว่าผิวสภาพนี่มีแล้วนะมีแล้วนะผิวสภาพหมายถึงว่าตัวเองอย่ายอมรับในผิวที่เกิดมาโดยกาเนิดนะ่ะอย่ายอมรับทำไมอะ่ะพอลึกๆนี่เราอาจจะเป็นคนผิวอื่นก็ได้สุดท้ายมันเหนื่อยนะเหนื่อยผมบอกว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นไปได้เรื่องนี้นี่นะ เป็นเหตุผลมาไหนตาไหนแล้วอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ดึก ด, ดําบัรคนที่ทําความชั่วนี่อ้างว่าบรรพบุรุษสั่งมาอัลลอฮฺอามรานะเบียแล้วอัลลอฮ์สั่งมาด้วยอันนี้นี่นะร้ายแรงกว่าคนที่อ้างว่าเกิดมาด้วยดีเอจีนของเรานี่มันมีเอลจีทีเนี่ยมันอยู่ในจีนอันนี้ยิ่งกว่าอันนี้อ้างอัลลอฮ์อ้างพระเจ้าเลยนะซึ่งมันมันมันมั น, มนคือ ดีเนี่มันต้องวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์นะถึงแม้วิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะว่าเออมีจีนมีดีเอเอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่นี่มาอ้างพระเจ้าว่ลลาเลาอัมรอัลลอฮ์ใช้ให้เราทําความช่วแบบนี้อยิ่งแล้วลยิง่งยิ่งกว่าคนในในยุคปัจจุบันที่มาอวยเมียนี่ก็ได้เล่าและที่เอ่อที่อ้างอ้างกฎสภาวะในทุกกรณี ที่ทําความดีเนี่ยไม่ดีไม่ดีดีด้วยตัวเองแล้วมันเป็นกฏสภาวะอัลลอฮ์กำหนดให้ทําความดีฉะนั้นก็ไม่ต้องชื่นชมเกินไปไอ้คนที่ทําความดีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องประยุกย่องเกินไปทําไมเออมกดกดอยู่ดีดีมันก็เป็นแบบนี้แล้วแม้แต่ตั้งคนที่ทําความชั่วก็อย่าไปว่าเขานะทําไมอ่ะเป็นกดกดสภาวะที่เขาทาเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพราะเขาอยากทําเองนะ เขาทำเนี่ยเพราะเขาต้องเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏการของ <c oughs> ของกฎสภาวะเนี่ยต้องมี Allah สั่งอะไรมาเนี่ยมันก็ต้องปรากฏกับเขาเขาไม่มีบาปใดๆเลยนี่ก็เหมือนกันและนี้ก็ถูกตอบโต้ตมาแล้วอีที่เขาอ้างโอ้ฉัน LGBT เนี่ส่วนหนึ่งที่เขาอ้างนี่ยบอกว่าบอกว่าตาหนิไม่ได้เพราะเขาเกิดมา เพศสภาพนี่เขาเ <c> ก <oughs> ินมาพร้อมเพศสภาพถึงแม้ว่าสรีระนี่สรีระนี่มันฟ้องแต่ส่วนนอีกส่วนหนึ่งของสรระนี่ก็คือจิตใจและจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมมากกว่าส่วนอื่นของอวัยวะและสรีระอันนี้ที่เขาอ้างอันนี่ที่เขาอ้างมีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาบอกว่า ที่จริงแล้วถ้าเรายอมรับนะว่าบางอย่างนี้เราไม่มีทางเลือกเพศสภาพนี่ไม่มีทางเลือกมันเหมือนผิวมันเหมือนต้นกําเนิดของเราเราเกิดมาก็ไม่มีทางเลือกเราเกิดมาโดยบังคับแล้วก็จะตายโดยบังคับไม่มีใครในโลกนี้และพิสูจน์ได้แล้วทางวิทยาศาสตร์ มีมีใครโลกในโลกนี้เนี่ยอ้างว่าเขาเกิดด้วยความประสงค์ของตัวเองแล้วก็จะตายด้วยความประสงค์งตัวเองมีมอ๋อเกิดมาเนี่ยเพราะฉันสั่งพ่อแม่เนี่ยให้ให้ฉันเกิดในโรงพยาบาล น, นี้เนี่ยมีไหมใครบังอาจมากราบมาอ้างแบบนี้ไหมหรือว่าใครบอกว่าเอาดูคอยดูนะดูฉันจะตายในวันนี้ในวินาทีนี้ในสถานที่นี้มีไหไม่มี เราเกิดโดยโดยบังคับตายก็โดยบังคับเช่นเดียวกันรายละเอียดบางอย่างของการกำหนดของเราเนี่ยมันก็มากันโดยบังคับอันนี้เนี่ยที่อุลามาได้บอกว่าอันนี้เนี่ยใช่อันนี้เนี่ ย, นนยคือกฎสภาวะที่เราไม่มีทางเลือกเกิดมาเป็นเพศชายเกิดมาเป็นเพศหญิงเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่อัลลสุบฮานวะาละให้เราเนี่ยได้ภูมิใจ วตีและตนะูซนีนัีลดอินสนอนตมร้างมนุษย์ในสภาพที่ดีที่สุดให้เราภูมิใจว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาละสร้างสร้างเราในรูปร่างในสรีระในเพศสภาพที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่เราต้องภูมิใจแต่ละที่ที่ ที่จะให้มนุษย์เนี่ยไม่พอใจในเรื่องนี้เลยไม่พอใจไม่พอใจในสิ่งเดียวรัชพานวตาและได้กำหนดให้เขามันก็เป็นกระบวนการของลทัทธิที่ปฏิเสธศาสนาและพระเจ้าและอำนาจของพระเจ้าอย่างสิน้นเชิงแต่อันนี้มันไปนลงในรายละเอียดของวิธีชีวิต เพราะทีะท่ะฏิสธสังเกตวัวพวกนี้พวกนี้เนี่ยส่วนมาก น, นะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไหนกับเรื่องศาสนาแล้วเวลาเอาศาสนาเนี่เอาศาสนานี่มาอ้างความชอบในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นแล้วลัทวิอัลลอฮฺก็จะสอนผู้ศรัทธาว่าอย่าให้พฤติกรรมของพวกมุนาฟิกีนี่มาบั่นทอนความแข็งแกร่งความเชื่อมั่นของผู้ศรัทธาสังคมผู้ศรัทธานี่ แต่จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนอื่นที่ไม่หวังดีนะสังคมนี้ก็จะอ่อนแออุลินคําว่ากุลในกุฎอ่านนี่รู้เลยว่ามีมีมีแถลงการมีเรื่องที่อัลลอฮ์กำลงจงฟังจงรับรู้พึงทราบเถิดอุลเลยุซีบะนาอิลลามะคตบัลลอฮุลนะฮ์วะมอลานะวะลาลลอฮฺฟัลยตะว็ะค์ลิลมุเอมินุ ไอ้ที shelf, sunshine, ่เขาพอเราได้ดิบได้ดีเขาก็จะอิจฉาเขาจะไม่ดีใจไม่ปินติยินดีแต่พอเราได้ประสบกับมุสีบะเขาก็จะบอกว่านี่ไงก็บอกแล้วไงสอนไปแล้วแล้วก็ไม่เอาเตือนแล้วแล้วก็ไม่เอาทําให้ผู้ศรัทธานี่ถูกบั่นทอนความรู้สึกความเชื่อมั่นในคําสั่งของแม่ทัพคําสั่งของผู้นำก็คือท่านนายพลร้อยเรือสันหลัง เขาก็บอกว่าจงกล่าวเถิดกุลโอมุฮัมม er ัดกล่าวบอกสอนุลลียยุซีบนะอิลลามะคัตบัลลอฮุเลนะจะไม่จะไม่ประสบจะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้แก่เราเท่านั้นมากัตบัลลอฮุเลนะจะไม่ ไม่มีอะไรที่จะประสบการณ์นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กหนดเท่านั้นกาตาบะที่จริงเนี่ยกตบะกตบะราเนียกตบะิตาเนี่ยก็คือบันทึกไงิตาเนี่ยก็คือสมุดบันทึกกตบะบันทึกจะไม่มีอะไรประสบการณ์นอกจากสิ่งที่อัลล์บันทึกไว้สิ่งที่อัลล์กหนดไว้นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎสภาวะ กสภาวะของอลลอฮุ س ب ح น ن ه แะก็อะมีสี่ขั้นตอนหนึ่งองค์ความรู้ของอัลลอ์นี่กาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเรารู้อยู่ที่ Allah Allah อัลลอ์หมดอัลลอฮ์ทรงรู้หมดสองประสงค์อัลล์รู้และประสงค์ด้วยเพราะมันมีลทัทธิที่เชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าที่รู้แต่รู้เฉยๆไม่มีความประสงค์ แบบนี้ไม่ควรเป็นพระเจา้าแต่อัลลอฮ์ของเรานี่รู้และประสงค์ประสงค์ก็ไม่พอพระองค์รู้ประสงค์แล้วก็ บ, บันทึกด้วยบันทึกให้เป็นหลักฐานถูกจารึกไว้ก่อนก่อนที่จะทําอะไรนี่นะอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วอัลล ظ. อฮ์มหัฟุสอัลลอฮ์คนมหัฟุสทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้น และที่มันไม่เกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแบนี้ถูกบันทึกถูกบันทึกไว้แล้วเาพระองค์รู้และประสงค์และบันทึกและอะไรอ่ะและสั่งให้เกิดขึ้นและนี่คืออำนาจสูงสุดของกฎสภาวะเพราะถ้ารู้และประสงค์และบันทึกรู้และประสงค์และบันทึก แต่ไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นนะนะอันนี้ก็อะไรอํานาจเหมือนกันอัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้จะเป็นผู้ศรัทธาประสงค์ให้เป็นผู้ศรัทธาบันทึกว่าอะไรผู้ศรัทธาแต่คนนี้เนี่ยฝืนความรู้ของอัลลอฮ์คำประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วก็การบันทึกของอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะไม่ศรัทธาฉันจะปฏิเสธศรัทธาไม่อัลลอฮ์จะให้เกิดสิ่งที่พระองค์ประสงค์นี่จะต้องเกิดขึ้น และนี่คืออัลคัลก์การที่พระองค์เน้นนิรมิตจากสิ่งที่มันไม่มีนะตามที่ที่พระองค์ต้องการเอ้าและแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าความประสงค์ของพวกเราละ่ะความประสงค์ของพวกเรานี่มันอยู่ในขอบเขตของความประสงค์ของเรามันจะไม่สวนทางกับความประสงค์ของเราแน่นอน แต่ของเรานี่มีความประสงค์ไหมมีความประสงค์แน่นอนอย่าเปรียบเทียบความประสงค์ความรู้การเลือกกฎสภาวะของเรานี่กับของอัลลอฮฺสุบไบร์เนอรคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยและที่อุลลามะได้เปรียบเทียบเรื่องนี้จะได้เข้าใจนะพอมาถึงทุกอายะที่เกี่ยวกับกฎสัพะวะนี่ต้องอธิบายยาวนิดเดีเราจะได้ไม่ไม่คิดเกินเกินขอบคิดอธิบายเป็นตัวอย่าง ถ้าอุทาหรณ น, นี้เนี่ยสำหรับอราสภาโนอาดาก็จะเป็นสิ่งที่สูงส่งสำหรับพระองค์เนะเราแค่เพียบเทียบจะได้เข้าใจห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนอยู่ยี่สิบสามสิบคนและมีครูสอนนักเรียนนี้เข้ามาวันละสามสี่ครับไกล้ิตสนิทสนมกับเด็กทุกคนเลยพอสิ้นปีแล้วเนี่ยครูก็เข้าห้องครูแล้วก็บอกว่านี่ ไอ้ในคนนี้เนี่ยไม่น่าจะรอดตกไอ้นคนนี้เนี่ยน่าจะไอ้ดีนะ่าได้คะแนนปานากลางอ่ะไอ้นคนนี้นี่เก่งคนนี้ได้คะแนนสูงเพราะก็ว่ายพอสอบกันแล้วเนี่ยพอดูคะแนนน่ะเปะะ๊ะเลยเปะะ๊ะเลยตกลงที่คูรู้แล้วพูดเนี่ยอันนี้เป็นการบังคับมาให้เด็กคนนี้ให้ตกอ๋อที่เด็กตกนี่ก็เพราะคูนี่แหละบอกว่าไอ้เด็กนี่มันจะตกงั้นน่ะ หรือว่าเด็กเองเนี่ยมันเลือกเส้นทางเส้นทางชีวิตของมันด้วยตัวเองเด็กมันก็ดูหนังสือกันเองมันก็เข้าห้องสอบเองเขียนข้อสอบมันก็เขียนเองความฉลาดความเก่งความไม่เก่งของตัวเขาของเขาเองและนี่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะ่ะซึ่งคู่นี่ไม่ได้เป็นผู้สร้างนักเรียนนะ แค่เป็นครูที่คุกคีกับนักเรียนยังรู้แหละชะตากรรมของลูกศิษย์นี่จะเป็นยังไงและพระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมาพราะองค์จะไม่รู้หรออ๋อมนุษย์คนนี้เนี่ยมนุษย์คนนี้เนี่ยจะศรัทธาคนนี้เนี่ยดูเหมือนไม่น่าจะศรัทธาคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวเขาว้าชาวสวรรค์คนนี้เนี่ยเป็นชาวนรกการที่เอารอดจะกําหนดและรู้แบบนี้เนี่ยตามที่เราทรงรู้นี่ไม่ได้เป็นการบังคับว่าเราจะ เราจะต้องเลือกชะตากรรมดแต่ไม่เอามาให้สิทธิ์กับเราเลือกให้สิทธิ์กับเราเลือกแล้วพระองค์จะอำนวยความสะดวกให้เราด้วยตามที่เราได้เลือกไว้ด้วยโครงสร้างความเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับพอที่จะเข้าใจเรื่องกฎสภาวะแล้วไม่ต้องคิดมากกว่านี้ทําไมเพราะคิดมากกว่านี้เนี่ยเป็นการ เป็นการใช้ส่วนที่สมองของเราไม่มีความสามารถสมองของเราก็เหมือนอวัยวะอื่นเหมือนสายตามีขอบเขตสายตาก็มีขอบเขตมนุษย์เราเนี่ยไงล่ะมีกำแพงและไม่มองทะลุหลังกำแพงไม่มีใครวอยวายเอ๊ะทำไมทำไมไม่มีสิทธิ์ที่จะมองหลังกำแพงเนี่ยไม่มีใครวอยวายนะแต่อิสสมองเรานี่ เวลาถึงขอบเขตหนึ่งสมองมันก็มันก็คิดไปไม่ได้ไงแต่อยากจะคิดเฮ้ยจะทำไมคิดไม่ได้ทําไมศาสนาเรื่องอะไรจะมาห้ามเรื่องอะไรมสมองจะคิดฮะเออแต่ก็จริงเนี่ยเพราะสมเพระสมองนี่เครื่องมือของสมองนี่มันอะไรกันล่ะมันไม่มันไม่ชีฟิสิคิลมันไม่เหมือนตาไม่เหมือนหูหูนหูนี่ได้ยินเสียงบางเสียงใช่ไหมจอะ เสียงบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ดีนอันนี้มันเป็นเรื่องฟิสิกส์มันมันเป็นเรื่องวัตถุแต่สมองนี่มันไรฟิสิกส์มันไม่มีมันไม่มีวัตถุที่ที่จะจํากัดของมันสมองมันก็เลยอยากอยากไปทุกที่เลยถึงขนาดที่อยากอยากจะไปยุ่งกับเรื่องของพระเจ้ากฎสภาวะซึ่งกุสภาวะนี่ก็คือบางส่วนเนี่ยเรเปิดเผยให้เราได้รับรู้แต่บางส่วนเนี่ยเราก็ปิดไว ทำไมอ่พกวกกฤษวรนีเน่เรียกว่าเป็นเป็นอำนาจบริหารจัดการน่ะเคยได้ยินกันเรื่องเรื่องคณะกรรมการผังเมืองไหมผังเมืองมีก็มีกรรมการกําหนดผังเมื่อขังผังเมืองรู้รู้ไหมเคยคิดไหมาทาไมอ่ะทำไมต้องมีรามแหงตรงเนี้ทําไมต้องมีลาดพร้าวตรงเนี้แล้วทําไมต้องมีรถไฟฟ้ามาตรงเนี้ย ใครเป็นคนกาหนดประชาชนเจ็ดสิบล้านนี่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าที่จะเข้าไปพูดไปถามว่าทำไมอ่ะทำไมทาไมต้องมีถนนแล้วทำไมถนนใหญ่ไม่มาถึงบ้านผมอะอะไรบางอย่างนี่นะชาวบ้านตาดำเหมือนเรานีไม่ไม่มีที่ดินเป็นแสนไร่ไม่มีธุรกิจเป็นหมื่นล้านน่ะเราก็ อยู่กันแค่นี้เนี่ก็พอแล้วแต่คนที่อยู่ในผังเมืองนี่พวกนี้แหละจังหวัดนี้เนี่ยเขาก็จะกาหนดเมืองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เมืองใหม่ที่จะเคอยู่ตรงนี้และถนนน่ะทะลตรงไหนอะมาตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ที่กูไม่อยู่เนี่ยต้องมาตรงนี้เลยมีใครมป็ประชาชนทั่วไปเนี่ยกล้าไปถามว่าทำไมทาไมต้องมีตรงนี้ทำไมไม่มีตรงนี้นี่ม มีใครยกตัวอย่างให้เห็นไหนมาโนู้ดด้วยกันอันไหบางอย่างเนี่เราก็ไม่กล้าจะไปยุ่งแล้วเราแล้วเราไม่ไม่ติดใจด้วยติดใจไหมว่าทําไมมีถนนถึงจะติดใจมันก็ไม่มีมันก็มีปช่วยช่วยอะไรไม่ได้นี่คือเหมือนกันเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอำนาจบริหารทํำไมคนนี้ต้องเป็นคนรวยทําไมคนนี้ต้องเป็นคนจนคือถ้าเรามานั่งถามมะนทําไมคนนี้สวยคนนี้ไม่สวย มีคนนี้หลอกคนนี้ไม่หลอกแาไมีคนนี้อ้วนทําไมีคนนี่ผอมเรื่องเดียวที่ทําให้ทุกทุกอย่างในพวกเนี้ให้มันส ง, งบลงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีเหตุผลบางทีเนี่ยเราเนี่ยยอมรับในเหตุผลของมนุษย์ที่อ่อนแอไปหาหมออย่งนี้ หมอก็ตรวจใช้วิธีตรวจอะไรของก็จับหัวจับจมูกจับอะไรนี่มีมีใครไปค้านบอกหมอทำไมต้องมาบี้มาจับตรงนี้ตรงนี้วิชาของเขาไว้ใจเขาแล้วแล้วพอจุดแล้วนี่อะไรนี่หมออนิซิซซฟนมันคืออะไรอธิบายมีใครกล้าเถียงหมอไหมายานยาอะไรแล้วทำไมต้องมีสองเม็ดแล้วทำไมต้องกินก่อนแล้วทำไมต้องกินที่หลัง เถียงกันมนุษย์ที่อ่อนแอหนี่ด้วยกันนะ่ะนะบางที่เราก็เถียงไม่ได้แต่ที่กับพระเจ้าอ่ะโอ้เถียงหมดเลยแล้วเถียงทีเถียงที่ใช้นเนี่ทติทัวชนฝานเลยนะเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วทําไมอ่ะแล้วทำไมจะเป็นผู้ชายไม่ได้อ่ะเกิดมาอยู่ในสภาพคนยากจนแล้วทำไมแล้วท่า ไ, ไม่รวยอ่ะคือรวยได้เราไม่ได้ห้ามไงแต่เราจะ ฟูตอะไรกับสภาพที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อะมันเสียเวลาดังนั้นทุกคนในที่เขารวยแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียเวลากับการที่เสียใจว่าเขาเป็นคนจนทาไมอะยอมรับในสภาพแต่เขาต้องต่อสู้เปลี่ยนสภาพสำหรับผู้ศรัทธาแล้วนี่ไม่มีอะไรสามารถบัทฑรความอ่นอนแอบัทอรความแข็งแกร่งให้เป็นคนอ่อนแอ ความศรัทธาให้เป็นคนปฏิสิทธิศรัทธาบัณฑรความแข็งแกรง่งความเยี่ยมเกรงตอ่ออัลลอฮ์นี่ให้เป็นคนอ่อนอ่อนความเยี่มเกรงและอ่อนศรัทธาเพราะเขาเชื่อมัน่นในสิ่งที่อัลลอฮ์สุภาณะหัวตาและได้กําหนดและบันทึกไว้แล้วฮุ่ยมาลานาและไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์บันทึกแล้วแสดงว่าโอ้ยมันนึกแล้วก็เหมือนหวยใช่ไหม เสียงทายใช่หมไมใช่หวยนี่มันไม่มีสมองนะความเสี่ยงทายนี่มันไม่มีสมองแต่ผู้ที่กำหนดและก็ บ, บันทึกกฎสภาวะนี่หัวเมาแล่นะซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองพวกเราหมายถึงว่าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ที่บันทึกกฎสภาวะทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้คุ้มครองเราเป็นเจ้านายของเราเป็นคนที่ดูแลเรา ผู้ศรัทธาเชื่อเสมอว่าไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรานอกจากเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและรู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอิบนฺขัยมได้บอกว่าผู้ศรัทธานี่สามารถเพิ่มอีมานเพิ่มกำลังใจในความรักพักดีต่ออัลลอด้วย ความชั่วที่เขาเคยทำมาสมมติว่าเราทดสอบให้เราได้ได้ทำความชั่วอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วอาจจะเกิดคำถามว่าเอา้าถ้าอัลลอเป็นผู้คุ้มครองเราทำไมตอนที่ฉันจะทำความชั่วนี้ทำไมอัลลอฮฺไม่คุ้มครองฉันนะไม่ให้ฉันทำความชั่วล่ะยูนิเควมบอกว่าไม่ใช่ เพราะบางทีการที่เราได้ประสบกับสิ่งนี้ไม่ดีนี่มันอาจจะดีกับเราเราก็เห็นตัวอย่างหลายอย่างในชีวิตของเราเองที่ฉีดวัคซีนนี่คืออะไรบางทีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรากับให้อะให้เรากับให้เราประสบกับมูซีบาประสบกับความชั่วอย่างหนึ่งให้ทำบาปอย่างหนึ่งให้บาปตัวนี้เนี่ยเป็นแรงกระตุน้น ให้เราได้มีความระมัดระวังในเรื่องบาปอื่นๆที่มันใหญ่หลวงกว่าบาปตัวนี้เป็นไปได้เหมือนอาสน์บัสรีที่ได้บอกว่าบางคนนี่เข้าสวรรค์เพราะความชั่วปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าสวรรค์เพราะความดีอาสนบัสรีหมายรวมหมาเข้าสวรรค์ น, นี่เพราะได้ทำบาปครั้งหนึ่ง และการทําบาปครั้งนั้นนะ่ะทําให้เข้าในี่ได้เติบัตตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ทําความดีมากขึ้นอันที่จะทําให้เข้านี่เข้าสวนสวรรค์เพราะถ้าหากว่าไม่ได้ทําบาปตัวนั้นน่ะ น, นะป่านี้ก็เป็นคนแบบคนเฉยๆธรรมดาไม่ได้สะสมความดีไม่ได้ทําอะไรแต่ไอีบาปนี่แหละที่กระตุ้นให้เขาได้ทําความดีมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าอะไรบางอย่างที่อลเราเลือกให้เราเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าเรามองว่ามันเป็นความชั่วแต่มันไม่ชั่วเสมอคนบางคนเนี่ยเราทดสอบให้ลูกเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตสามีเสียชีวิตบ้านไหมเสียหายธุรกิจเทงขาดทุนทำไมเราทดสอบฉันแบบนี้ทาไมชันแบบถ้าเรามองในบ้านปายของ แต่ละบททดสอบแต่ละเรื่องนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีแสงสว่างที่จะสแสดงถึงพระบารมีของ Allah s u b h a t a a ที่กลังดูแลเราอยู่นี่สาหรับผู้ศรัทธานะสาหรับผู้ศรัทธาที่จะที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ Allah ก็รว้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่ที่อยู่ที่ผู้ศรัทธานี่แหละที่เขาต้องเอาความคิดหลักศรัทธาหลักศรัทธา หลักเชื่อมั่นที่เข้มแข็งเนี่ยเอามาบริหารจัดการชีวิตเนี่ยให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนอื่นๆอย่าได้ให้บททดสอบอย่าได้ให้มุซีบะหรือความชั่วต่างๆหรือความรู้สึกของคนอื่นความสมเพศของคนอื่นความสมน้ำหน้าของคนอื่นเนี่ยมาบั่นทอนความรู้สึกของเราและนี่คืออุลมามะเขาได้เลือกให้เป็นสิกรุลล่ออย่างหนึ่งที่เรา ควรพูดเมื่อมีใครมาตำหนิเรามาอิจฉาเราหรือมาสมน้ำสมน้หน้าเราให้เราให้ให้กล่าวตัวนี้นี่ไงไหมสมมติว่าเราเราเลือกทำความดีนะเช่นเช่นไปทำฮาร์อย่างเงี้ยพอไปทำฮาร์แล้วก็โดนแทกโกงเห็นไม่กระบอกแล้ว ไอ้ของพวกนี้เนี่ยอยาคำบุญเหลือเกินะม่ไหมให้ตอบยังไงกุลเลยยูซีบนะอิลลามะคัตบัลลอฮุละนะอย่าไปมัสยิดนะนี่โดนโดนนะออกไปละมาดมัสยิดเนี่ยรถชนเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วให้ตอบยังไงกุลเยอยู่ีบนะอิลล์จะไม่ดนะมันเป็นคาที่ปลอบใจให้เย็นเลยร่มเย็นเลย ก็ ل ลยย ي ่งซี้บนะอิหละมาคั ا ไม่มีอะไรเจะที่เราจะประสบนอกจากว่าล l l a h กำหนดอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีอานาจเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าเราเหนือกว่ามุซีบ้านที่มันประสบกับเราเหนือกว่าความชั่วที่เราได้ทามานะก็มีอัลล์เหนือกว่าในความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นกาลังใจสาคัญมากสาหรับุสตวห و على ه ف ل ي นู ك เ ي المؤمنون อ غ م مغ م و س ในการต่อสู้อุบายของเชตอนหรือมุนาฟิกีนในการบันทอนบันทอนบันทอนกำลังใจของมนุษย์ น, นะนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยนะวิธีต่อต้าน น, นั้น ف ا ل ي ت و ك ل ا ل م ؤ م ن ลอ ل د ล الله อ د ى ลล ل ه เท่านั้นมุ่มินคือผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด จงตระเวนให้มีความมอบหมายมีตระเวนตัวมอบหมายนี่อุลามะนบอกว่ามันต้องมีความเชื่อสําคัญนะในพระนามของอัลลอฮฺสุภานาะดาระสองพระนามหลักหนึ่งอัลกุดร์กุดร์กุดร์นี่คือเดชานุภาพของพระเดชานุต้องเชื่อเราจะมอบหมายให้ ผู้ที่ไม่มีอำนาจไม่มีเดชานุภาพอะไรเลยมันเป็นการมอบหมายที่ไม่มีเหตุผลใช่ไหมว่าเราไปเจอรัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วเขาให้นามบัตรมาและเซ็นชื่อว่าเนี่ยเจอปัญหานี่ให้นามบัตรเออแบบนี้เนี่ยมันใคยช่วยคนช่วยไปไหนนี่มันจะได้รู้สึกว่าเออมี พูดหลักผู้ใหญ่คนนั้นนี่เบอร์นันน่ะถ้าเจ้าหน้าที่อะไรนี่นะโทรเบอร์เบอร์นี่แหละนะอันนี้เราไปที่ไหนเป็นยังไง <c oughs> นะเจอสรารวัตรเจอนะรูนะ้จักไหมคนนี้รูก้กสุขอำนาจอนนี้อัลลอฮไม่ได้ให้นามบัดให้เราแต่อัลลอฮให้คุรขันหลักความเชื่อในตัวพระองค์ ถ้าเรามีนะนะเท่ากับเรานี่มีนำบัตรจากอัลลอฮ์อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเชื่อในการมอบหมายเนี่ยนอกจากเดชานุภาพมาเนี่ยลฮิกมาเพราะไม่ ง, งั้นนะ่ะฮิกมานี่ก็คืออะไรคือความเหมาะสมเรามีอำนาจกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างแต่กำหนดด้วยความเหมาะสมอะไรที่จะมาก่อนอะไรที่จะมาที่หลัง ก่อนที่จะประสบความสําเร็จนี่จะมีเดือดร้อนก่อนก่อนที่จะเจออะไรก็ต้องมีอันนี้นี่คือเรื่องถ้าเราไม่เชื่อนี่ฮิกมากนี่เพราะพระผู้ทรงปรีชาญาณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมาะสมของมันนะแบบนี้เนี่ยเรามอบหมายแล้วก็เออสบายใจฉะนั้นถ้าเราสมมูมเจอเดือดรอ้อนน่อยเฮ้ย ไ, ไม่ต้องเยอะอัลลรู้รู้อะไรที่มันเหมาะนี่เราอย่ารีบ นี่เขาสอนนะเวลาเวลาเขาอบรมนะเวล า, าอบรมที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องเชื่อในฮีทนะผู้นำบางอย่างนี่ผู้นำนี่ต้องบอกทุกคนแต่บางอย่างนี่นโยบายขององค์กรของบริษัทนีบางทีเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่สามารถบอกให้พนัก ง, งานรู้ทุกคนพนัก ง, งานบางอย่างนี่ก็ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รู้เหตุผลทีนี้ พนัก ง, งานไม่มีสิทนะเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้ดิทำไมคือ ถ, ถ้าบอกทุกอย่างอะนะบริษัทก็เจงสิบางอย่างนี่ผู้นําก็ต้องเก็บไว้เขาก็ต้องสอนสอนพนัก ง, งานบางอย่างนี่ก็ต้องต้องเชื่อบอสบ้างหัวหน้านี่ต้องเชื่อฟังเขาบ้างไม่ใช่ทุกอย่างนี่ก็ต้องรู้เหตุผลทุกอย่างต้องรู้ความลับอะไรทุกอย่างนี่มันไม่ดีสาหรับเรานี่มันไม่ดีหรอกเช่นเดียวกัน ถ้าอัลลอฮ์ได้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้รับรู้หมดเลยนะเพืที่เราจะทนไม่ได้ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นคนคนรีบร่งคุิกลนซามินอัจลมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากสัญชาตญาณของความรีบร่งรีบรทุกอย่างเนี่ยรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีรีบรีรีบรีบรีบกีบรีบรรีบีบรีรีบรรับรรีบร